เรัตนวัคสิบนันทศิขาบทว่าด้วยพระนันทะเรื่องพระนันทะห้าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระนันทะโอรสพระมาตุฉาของพระผู้มีพระภาคมีรูปงามน่าดูน่าชมร่างต่ํากว่าพระผู้มีพระภาคสี่องค์ุลีท่านพระนันทะนั้น ผมจีวรมีขนาดเท่าจีวรพระสุคตภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเถระได้เห็นท่านพระนันท h เดินมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะด้วยคิดว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาเมื่อท่านพระนันทเข้ามาใกล้จึงจําได้แล้วพากันตําหนิประนามโพลทนาว่าฉนัยท่านพระนันท h จึงผมจีวรมีขนาดเท่าจีวรพระสุคตเล่าครั้นพิสุทั้งหลายตําหนิท่านพระนันทโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้